เนแอันนี้ลักษณะของเบาะเบหะนี้ทําให้เกิดคำหลงเกิดเมื่องนอนณะที่มันนอก็หาวิธีแก้ก็โดยการยกมือขึ้นงแรงหรืว่าเดินลุกขึ้นจากขึ้นเงื่องนั้นมาเพื่อนระบให้มันงแรงขึ้นแล้วมันตือนตัวขึ้นมาเมื่อเราเมื่องนั้นมันดือตะถ้าเราไปนั่งเงื่องอยู่นั้นมันก็ไม่เกิดความรู้สึกสักทีมันพยายามที่จะผลเรากดคอเราอยู่เต้องหาวิธีแก้ให้ได้แล้วอย่างมันก็หายงความคิบถึงขน คิดไม่สงบเดินไปกบคิดพุ่งสั้นไปนั่งซากระดับกบคิดพุ่งสั้นไปคิดถึงสิ่งต่างๆคิดไม่ยามสงบลงในตอนนี้ต้องพยายามนะพยายามทำความรู้สึกาพยายามยกมือเคลื่อนไหวให้มันเรยขึ้นใกานจัดให้มันทันนะพยายามอยู่กับความรู้สึกตันแล้วอย่าไปสนใจกับความพุ้งสั้นตอนนั้ um นอย่าไปรู้มันอย่าไปอตามันกลับมาอยู่ก enfin en ับความรู้สึกตือวเ้าบเข้าในความรู้สึกนั้นมันติดต่อเรขึ้นเรากรทำในลานนั้นได้ ผ่าน อ, าอน man, ะไรแบบนั้นแต่บางครั้งความสึกสงสายลังเลย์อายุตัวเคลืนไหวอย่างนี้มันจะทําให้เราเกิดสมาธิได้อย่างไงมันทําให้เราเกิดปัญญาได้อย่างไรมันทำให้เราเกิดสติได้อย่างไรเกิดสงสัยไม่อยากปฏิบัติที่มาแล้วนะก็หันเหไปอวิชี์อื่นมันจะขึ้นการตัวนั่งหลับตาให้จิตใจสงบสงบจิตัวเองแบบนั้นนะมันก็ทํำให้เรามันท้าไปเพราะลักษณะการประบัติทำปฏิบัติทำเนี่ยหากว่เราไม่รู้ไม่เข้าใจแต่เบ่งต้นร้อนอ่ะมันก็ผิดไปตลอด หารารู้แต่เบื้องต้นเป็นสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วคมรู้ก็เป็นสิ่งที่เห็นถูกไปตลาห็นความเป็นมิจฉาทิฏิกับสัมาทิฏฐินี้หมายงความรู้เบื้อตนีกสาคัญมากเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามที่จะเกิดสัามาทิฏฐินเรามเห็นให้มันถูกให้มันตรงถ้ามันเข้าใจในการที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมดการทำอย่างนั้นก็เชื่ออย่างนี้ก็เชื่อต้องทิฏฐิด้วยตนเองแหละ วิธีทำแบบนี้มันสามารถทําม้รารู้สึกตตวได้ไหมเราก็ต้องลองทํำดูยกดูมารู้สึกจริงๆแล้วก็เข้าใจวอามันจริงเวลาที่เรานั่งหลับตาไม่สิตใจมันสงบเมื่อมันสงบแล้วมันเกิดสติเกิดควารู้สิกตัวนั้นทำมาลุสิตเตลมีการรู้ถ้าทำปฏิจการะนาฏินั้นมันถูกแล้วแต่ว่ามันไม่สงบมันไม่รู้สึกตัวมันพี่มันมืดมันไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจนั้นสว่างไสวได้มันอาจจะทําให้เราหลงผิดไปได้นทําผิดไปได้ ดันั้นก็ต้องพยายามแม้ในระดับ อ, อริยมรรคโยมแต่ประการท่านอาจจะกำหนดเอาสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องแรกสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบมีคการเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกตปะหมายถึงความดัมเบลดัมเบที่ถูกต้องดัมเบลที่เป็นธรรมที่ก็สัมมาอาวาจาการกล่าวเจราจาระทางที่ชอบในทางที่ถูกต้องเป็นถ้นเป็นธรรมที่เมื่อแต่การประกอบอาชีพ สัมมาอาีเร <cat> ื่องชิเรื่องชีตชาติและ่ีวิตชาติเนี่ยก็ต้องให้เป็นที่เรื่องชีตการประกอบด้วยศีลด้วใสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่แล้วต่การแล้ว่าทำการงานชทตสัมมาวาญาโมก็ทำการงานชาตเนี่ยการทาการงานก็ต้องประกอบไปด้วยีลด้วในการด้วยความถูกต้องแลนี้นต่การเริสติสัมมาสติระลึกชาตก็คือระลึกรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นกุศลสิ่งนี้เป็นอกุศล ลลึกลึกสึกไปทั่วถึงจนมาถึงละลึกถึงหลักของสติปัฏฐานที่เราจะพูดไปบัดกนอย่นี้จะมาลึกไปในกายรู้กายรู้กายเห็นกายตามความเป็นจริงนี้สิ่งนี้คือรู้ประทันละลึกไปในเวทนา่ารรู้สึกสึกทุกหรือเฉยมีสติรู้รู้ทันทีนี้มาตลละลึกไปในพุดอารมณ์สุดดังการคิดนึกจรงต่งอารมณ์ต่าง นะก็รู้สึกในกจิตเป็นผู้พิพงตังเมรรู้ใจนธรรมจะเด่นที่เกิกเดกับใจก็ต้องรู้สึกเข้าทันในธรรมเหล่านั้นโดยไม่หลงไม่ยึดไม่เป็นในที่นั้นรู้ตรงๆรงรู้ซื่อชืมาถึงรู้แล้วไม่มีไม่มเป็นแบบนั้นรู้กายจะเห็นกายตามความเป็นจริงรู้วเวทนาก็ไม่หลงในเวทนาเห็นเวทนาตามความเป็นจริงเห็นจิตรู้จิตเข้าใจจิตก็ไมาหลงเข้าใจในจิตรู้เห็นการคิดตามความเป็นจริง นเนธรรมเพ่อมาเกิดขึ้นตับใจก็รู้เห็นต่างความเป็นจริงหรืเห็นอย่นี้ว่าเรีอกสตุปฐานมีการฝึกสติที่เป็นไปในฐา น, นทั้งสี่ทีนี้เมื่อกลารถึงหลักของสม า, สมาธิสมาธิการตั้งใจทำการตั้งใจพูดการตั้งใจที่จะกำเนดิดให้รู้สึกอยู่ในขณะปะฏิดำเนทขณะนี้ลักษณะของสมาธิเพราะลักษณะของอริยมรรคตประการทั้งหมดที่ได้กล่าวมาที้หกได้ขึ้นสมาทิฏฐิเป็นเรื่องแรก เมื่อกล่าวตามภาษาการศึกษามาจากตำรามัาก็พูดเอาไว้ว่าการเกิดสำนึกทนั้นหมายถึมีความรู้เห็นที่เป็นตามในทุกเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเรื่องของทุกเห็นทุกเห็นเหตุเกิดทุกกัระนั้นเห็นเตื่นกิเลสปัญหาต่างๆที่มันอยู่ในจิตในใจที่มันกรุงต่างจิตแต่างใจอยู่นั่นเองเมื่อเมื่อมันมาถัดจะกทุทธาตุชนะตาหูจมูกลิ้นใจเมื่อเรามีสติเข้าไปรู้ทัน มันเกิดกระทบผัดตะมาแล้วก็จะเกิดความวักความทังความยินดียินร้ายผอใจไม่ผอใจความจิตความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าแล้วไม่ทันไปแล้วสมุทัยมันเกิดมันเกิดปรุงแต่งขึ้นมาทีนี้การดัดทุกข์แตหมายถึงการรู้ทันต่อความทุกข์รู้ทันจิตรู้ทันใจเห็นจิตเห็นใจของเราที่มันปรุงมันแต่งอารมณ์ขึ้นมารู้ทันนี่คือลักษณะของการทันใช่ความทุกข์ดักแต่หมายถึงการดัดที่ตัวปัญหาตัวความอยากที่มันจะเกิดขึ้น นิโรธบาทัุกผลที่เราเข้าไปรู้ไปเห็นแล้จิตไม่ถูกจิงตัแล้วจิตอยู่เป็นปกตินั้นลักษณะข อ, ของนิโรธคือความดับแห่งทุกข์ดันั้นลักษณะของสมาธิอันนี้เรียกวสมาธิระบับสูงระดับการเห็นอรุษ ต, ต, ตัดสูต่ตามความเป็นจนนริงแล้วก็ระดับที่เราสามารถที่จะรู้ของจริงดูของจริงข้างในจิตในกายข้างหลังแต่ที่เราจะรู้จะเห็นได้ก็ต้องอาศัยประพทต์ตามาหลักอริยมรู้ให้ถึงพร้อม ถากาโดยศึกยแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาซึ่งการสมาธิถึงามเห็นชอบสมาสังกัตโตความดําิ่งบคือดำดิออกจากกางจากพยาบาทดำาิ่ออกจากกางเบียดเบียนคือมันคลึไปในทางกางก็ดีในทางพยาบาทก็ดีในเบียดเบียนก็ดีนะเมื่อดำดิ่งไปอย่างนี้ก็มีติราล็กล้นพตัดไม่ให้จิตนั้นไหลไปในอารมณ์เหล่านั้นนี่ก็เป็นการพยายามที่จะตัดก็แส่ประโามันเล็กน้อยได้บางออกไป น้นสื่นสาะพุปัญญาเนี่ยจึงมารวมมอยู่ในหลักของสติปัฏฐานหมดให้เราได้เข้ามาค้นคว้าดูหลักลักษณะอาการของฐานสื่อที่เราบรรจุขัดตรงนี้คือมาดูกายดูเวทนาโดยจิตดูธรรมแต่เนื่อเรากล่าวดูลักษณะที่เยื่อๆเเรียกว่ามาดูรูปดูนามดูรูปกับมาถึงการดูกายดูนามไม่ดูเวทนาดูจิตดูธรรมนี่แหละเวทนาก็ความรู้สึกมาเป็นสึกเป็นทุกข์สบายไม่สบาย เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายมันแล้วกว่าเลักษณะทั้งเวทนาที่มาเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเกิดขึ้นแต่ใจของเราถ้ามันเกิดขึ้นท่านก็ให้มีสติรู้แม่รู้นั้นรู้แบบไม่ยึดไม่เอาไม่มีไม่เป็นรู้ธรรมชาติมันเกิดขึ้นธรรมชาติที่มันตั้งอยู่แล้วก็ธรรมชาติทั้งความดับไปไม่ให้มีตัวมีเป็นอยู่ในธรรมชาติเหล่านั้นไม่เข้าไปยึดตัวปาผ่านคือไม่มีอุปาทานเขาไปยึดในเวทนานั้นเวลาจิดมันไม่คิดขึ้นมา ถ้าก็ให้ไม่มีปารทานด้วยไม่มีความคิดที่เข้าไปยึ์เอาความคิดนั้นเป็นเราให้มองเห็นเป็นลักษณะของนามของธรรมชาติตามความเป็นจริงว่ามันคิดอะไรขึ้นมาก็จิดเป็นผู้คิดมัชฌราเป็นผู้คิดจิดเป็นผู้สติเป็นผู้รู้มัชฌร่าเป็นผู้รู้รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เมื่อฉันไม่แล้วนักทายนักอุปาทานยึดถือมาเห็นมาเห็นทุกแล้วมันจะคลายเองอหะอุปาทานมันรู้ว่าเออจิตมันนึกคิดเป็นต่างอารมณ์อย่างนี้มันเป็นเท็จมันเดียดร้อน จิตไม่สงจิตไม่สบายเมื่อสอติมันมันรู้ภายในว่าปัญญามันเกิดแล้วมันจะค่้ยเปลาอุปาทานไปจางยึดมั่นถีอมั่นออกไปเห็นกายก็เป็นสัตว่ากายเห็นเยทนาก็เลยัตว์ว่าโวทนาเห็นจิตที่มันตรล่งต่าไม่คิดก็เป็ัตว่าจิตแม้แต่เห็นอารมณ์ต่างๆหรือเห็นอนุตั้งทุกขังอนัตตาที่มันปรากฏเกิดขึ้นมาลักษณะของกายเวทนาตาิดพันเน้อมันก็เป็นเรื่องของธรรมที่มันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นถ้าเราไปยึดมั่นถีอมั่นท่านบอกว่ามันเป็นอุปาทาน เป็นควนทุกข์ดันั้นต้องดูกายก็ดูให้ไปตรงๆพยายามที่จะหนีออกจากสมุติบัญญัติถอสมุติบัญญัติออกถ้าเราเป็นอย่างนั้เราเป็นอย่างนี้เราพี่นั้นเราพี่นี้เราอยู Nem ่ในขณะนั้นภายนสมุดอะไรนี้พอดแบบต่างระลักษณะที่เรากําลังเป็นแบอยู่จุดที่หน่าอยู่นี้คือรูปตัวที่รู้สึกอยู่ภายในตัวที่อกําลังทำหน้าที่รู้อยู่ภายในนั่นคือนามมันมีสองอย่างตรงนี้ที่มันทำหน้าที่อยู่รูปจะเป็นเพียงคาดตืดินน้ําลงไป ที่มาประพุมกันตกอยู่ลักษณะของความไม่เที่ยงแต่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเรามีแต่ควารทุกข์ทีปรากฏอยู่ทุกขณะทุกอริยาบทนั่งนานๆทุกปรากฏยืนนานๆทุกปรากฏนอนนานๆทุกปรากฏเมื่อหนาวทุกปรากฏเมื่อร้อนทุกปรากฏเมื่อหิวทุกปรากฏเมื่ออิ่มมากเกินไปอิ่มอับทุกปรากฏปวดหนักทุกกปรากฏปวดเบาทุกปรากฏ ปวดหัวปวดท้องเรคภใย้เกิดต like. ่างๆเข้ามาเบียบเบียนรวงแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นที่ปรากฏที่เราเดืนเดินนั่งเมินเพื่อทเพื่อแก่ความทุกข์เพื่อระงับความทุกข์นั้นให้มันดับไปชโชวคู่ชคาเท่านั้นทอาหารก็เพื่ารับทานอาหารก็เพ่ทุกข์ก่จำยืคนผ้าก็เพื่อก็ทุกข์ก่หนาวก็ร้อนก็เรียบอรียงรวมทังที่จะมาลบกวนร่างกายร่างกายของเราทจึงกล่าวว่ามีประทุกข์ทนั้นที่เกิดขึ้นทุกขนั้นที่ตั้งอยู่ ทุกข์ตอนนั้นที่บัดไปถ้าเราจะมาหาความสุขจากการหาได้ยากมันมีแต่ทุกข์นั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ในบัดไปถ้าพยายามมองให้เห็นทุกขที่เป็นใจในใจไม่รู้จักกายตามความเป็นจริงไม่หลงก็ไปยุดไม่หลงก็ใจเพทันผูกมัดด้วยอุปาทานที่เห็นดูอย่างนี้ก็รื้กายตามความเป็นจริงไม่หลงก็ไม่อยู่ในสมุดบัญญัติเพื่อถอนเมื่องบัญญัติออกไปให้เห็นตามความเป็นจริงเห็นนามกับขึ้นเดียวกันความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นพร้อมหยดในใจนั้น ก็ให้มันเป็นเรื่องของนามที่มันเกิดขึ้ น, นตามหน้าที่ของมันในคามที่จะรับรู้สัมผัสอรารมณ์ในการนึกคิดในควารจดจำในควารที่จ ะ, ะคิดอย่างนั้นอย่านี้มันเป็นหน้าที่ทั้งนามแต่ว่านามต้องรู้นามเห็นนะเรยว่าภาษาทำไดเรียกว่านามรูปหมายถึงความอารมณ์การคิดต่างๆเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนึกนามรูปแต่มันเกิดขึ้นในใจเราต้องมีสติรู้ทันอยู่เมื่อนามรูปเกิดขึ้นก็มีสติรู้ทันอยู่ มเห็นอาการต่างๆเป็นกลิ่นอาการเปลี่ยนแปลงเอมันเป็นอนิจจังมันเป็นอย่างนี้เองพิทมาแล้วก็ไม่เยี่ยงมันก็ดัดไปมันเป็นทุกขังมันเป็นอย่างนี้เองเป็นความอึดอัดความหนักนั่นควไม่สบายมันเป็นอนิจอนัตตาแับที่เราบังคับให้มันได้อย่างใจบังคับไม่ได้มันเกิดมันดัดมันดูอย่างนั้นเองลักษณะของการที่เข้าไปดูจิตดูใจเห็นจิตเห็นใจเป็นการที่จะพังทลายพุทําลายภาตไม่เป็นการก่อพบก่อภาตเพราะว่าพุกขาตที่เกิดขึ้นทำจิตในใจของเรานั้น รั้นหนึ่งคือหนึ่งอาจจะเกิดหลายแล้วหลายพันชาติหลายอย่างแลายประการเดี๋ยวเกิดอย่างนั้นเดี๋ยวเกิดอย่างนี้เดี๋ยวคิดอย่างนั้นเดี๋ยวคิดอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้ทำมาแล้วเนาะมันเป็นการวนเวียนของวัฏฏะทงสารคือการเวนไหวตายเกิดในรทางน้านจิตใจจิตใจเรานีวมันวนไหวตายเกิดในอารมณ์ต่างๆถ้าเราไม่มีตุไม่มีปัญญาเป็นเหตแล้วมันจะวนเวียนเป็นวัฏฏะเป็นวงจรอยู่นั้นมีการเพิกผานมาการเพกผ่านไป เล้วจัางนั้นผานมานู่น่านตาเป็นวงจรอยู่ไม่ตอมีที่จุดจุดแต่เมื่อเรามาฝึกสัมปทานระศึกจิตศึกปัญญาถห้มาเกิดขึ้นเพื่อเพื่อตัดวงแห่งวัฏฏะแห่งการเวียนรา้ตายเกิดของจิตของใจให้มันจะทุกจากคนที่เป็นทุกข์ท่านบอกว่าการเกิดเป็นเทวดาแต่ังเป็นทุกข์แบบเทวดาการเกิดเป็นเพลงก็ทุกข์อย่างเพลเกเป็นมนุษย์ก็ทุกข์อย่างมนุษย์เป็นมหาเศรษฐีก็ทุกข์อย่ามหาเศรษฐีการเกิดทุกอย่างรวมไปเป็นความทุกข์เป็น สัตนรส เ, เ, เ, เป็นตัวไปเคลื่กายจะล้มตัเป็นความทุกข์นั้นท่านบางเห็นว่าควมเกิดทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เรายน้นอยู่ไม่สบายฉะนั้นให้เรานั้นูพยายามที่จะละทุกหนูทุกเข้าไปสู่ธรรมนิพนธ์หมายถึงการที่จิตใจมันไม่โยนียนไม่ตกอยู่ในอำ น, นาจของกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันไปทักจรงรากดุญจิตใจจันนั้นให้เป็นทุ ก, ก, กเเทข์แบบแล้วเรื่องบานั้นเมื่อกิเลสเกขึ้นนะสติตัญญาเราต้องเข้าไปทำหน้าที่ในการสู้รบ อาชนะโทวะราคะโมหะที่ ม, ทมันเกิดขึ้นในใจทา้เ่เปียกไปเหมือนไฟมันเกิดขึ้นแล้วมันเผาเริมให้ล่าร้อนตั้งมีสิ่งที่เขาไปแก่เป็นมีน้ำเขาทำมันแหละเขาไปราดลพืให้มันดับไปด้วยการมธรรมให้มันเกิดขึ้นในตัวของเรานเองนั้นการจะเรียวิปัสสนาการรมฐานการฝึปฏิบัติธรรมนั้นต้องอาศัยการกระทําความเพียรตั้งเป็นผู้ที่มีศรัทธาอันแต่กล้ามีความเพียรที่มั่นคงมีสติที่ดํารงมั่น มีสมาธิที่แข็งกร้าไม่ทำให้เกิดเป็นร่องว่างแ ล, แล้วก็มีปัญญาที่กล้าขมในการที่จะกดข่มในกา ร, ร master, ที่จะตื้อรถกับพวกกิเลสต่างๆว่าเป็นการฝึกจินตื่อให้มีความเข้มแข็งฝึกจินตื่อให้มีความเใจกว้าฝึกอินตตื่อสามารถที่จะยืมเหนือพลังอานาจของกิเลสที่มันจะเกิดขึ้นภายในจิตในใจเพราะคนเรานั้นถ้าหากว่าอิตรีย์อ่อนสมาธิก็อ่อนปัญญาก็อ่อนกิเลสมันก็จะม้วนมากเหนือเรา เราไม่สามารถที่จะเอาชนะมันบ้างแต่ถ้าเราพยายามฝึกฝนให้มันเกิดข้ามมันแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการที่จะทำให้จิตนั้นเกิดความสงบเกิดความเป็นปกติเกิดสัมมิสุกขึ้นมาจากการฝึกการหักการกระทันครั้งการกระทํานี้เองอาจิงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดให้มีให้เติมขึ้นถ้าไม่มีการกระทันก็ไม่มีความมีความเติมเพราะฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติทุกท่านเนี่ยต้งอาศัยการกระทําเป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่จะทำให้เรานั้นรู้เข้าใจได้และ้ดยการทาความเพียรให้มีความพยายามติดต่อในช่วงเวลาเจ็ดวันที่เราได้เข้ามาเริ่มปฏิบัติอดีตนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาที่เราได้มาฝึกในเบื้องต้นในการที่จะมารู้หลักวิชาการที่เราจะนำไปทปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราเข้าใจรู้วิธีการแล้วก็จะนํายวิชาการความรู้เหล่านี้ไปประพฤติปฏิบัติที่บ้านที่ทํางานที่ไหนก็เราสามารถที่จะทําได้ เพร า, มมาะาธรรมะพระเจ้านั้นไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเป็นอาการิโกเราสามารถที่จะประด้ปฏิบัติได้ไม่จำกัดการอยู่ที่ไหนก็ทําได้เมื่อใดเรามีสติเราเลือกเลือกเป็นตานาคาในจิตดังนั้นเพื่อเราได้ปฏิบัติธรรมเราได้ทำความเพียรนะหากเราไหลจะเดินจงกลมทั้งวันสรถถ้างวัฒนทั้งวันแต่ไม่มีสติแต่แปลกใจเรื่มละไปอยู่คนนั้นก็อยางถือว่าเป็นคนที่ไม่มีความเพียรเป็นคนเกลียดข้านไม่มีสติที่จะรู้สึกตัวเท่าพ้อม ดังนั้นก็ขอให้นักบัตรรรมนั้นจงเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมีจิอยู่ก็ขอสรุปว่าการที่ได้กล่าวมาในครั้งนี้เมื่อผลเสียกันมาแล้วก็เพื่อที่จะให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจที่จะต่อสู้ตับความตับทุกข์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใจข้างในพยายามที่จะรวมพลังนะศีลมีความเป็นปกติเอาไว้สมเอวนสมาธิคือความมั่นคงความตั้งใจที่แน่แน่เอาไว้แล้วก็ ปัญญาคือความรอบรู้ในจิตในใจเรารู้ต่อสังขารที่มันจะเจใใจร็นปั่นจิตปใจถ้ารู้ถ้ารู้ทันแล้วเราท่านทั้งหลายก็จะเป็นผู้ที่เดินทางไปสู่ความเป็นผู้ที่มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์สงสัยที่จะกล่าวแสดงขอ้อคิดเห็นในเรื่องของปเญญามันนี้ก็จะเห็นได้สมควรใจเวลาก็จะขอทิติการกล่าวการให้ข้อคิดในเครื่องปัญญามันนี้ประเด็นตนี้ก็ขอให้อำ น, นาจทางบุญกุศลท่านทั้งหลาย ได้กระทํากันมาแล้วก็ดีกําลังทําอยู่นี่ก็ดีจงเป็นบุญเป็นพระละตัดใจให้เราท่านทั้งหลายนั้นจงพกประเจตเห็นซึ่งควาสะอาดความสว่างความสงบของจิตของใจและสามารถพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงทุกคนทุกท่านเทอิน